ที่ประพฤติทธธรรมที่ปฏิบัติทรรมไม่ใช่อยู่โ น, โน้นไม่ใช่อยู่นี้อยู่ที่กายกับใจไม่ไปอยู่ที่ตำราไม่ไปอยู่ที่ตัวหนังสืออยู่ที่กายที่ใจที่เราทุกคนนั่งอยู่เดียวนี้ก็คือนั่งตัวธรรมะอยู่ก้าวไปก็เป็นธรรมะนั่งอยู่ก็เป็นธรรมะ นอนก็เป็นธรรมะก็คือมีกายกับใจประจาตัวอยู่แล้วไม่มากก่อนมันจะมากก็คือใจมันหลงอารมณ์มันก็สืบสาวสามอารมณ์ไปปรุงไปแต่งไปมากไปหลงพวกเราทั้งหลายนั่นก็ไปกำหนดของนอกกายนอกใจเรา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 ความมั่าจิตสงบนั่นก็คือจิตไม่ค่อยวุ่นวายเช่นเรมามวัดรสังะโคงวันนี้เป็นกายวิเวกเมื่อเรามานั่งดู่กายวิเวกนี้จิตใจเรามันก็แปลกขึ้นมาแล้วจิตใจก็พลอยสงบไปด้วยจิตวิเวกนี้มันก็พลอยจะตามไปพอเราวิเวกทางกายมาพอสมควรนั่นเสียงรถเสียงเรือเสียงสัต งมนุษย์ทั้งหลา ย, ยก็ไม่รบกวนเราก็มีความรู้สึกสบายเช่นว่าโยมที่มากราบนักก า, ารวันนี้ยิ่ยงอยู่ในเมืองใหญ่ยิ่ยงอยู่ในที่เจริญมีทุกสิ่งทุกอย่างมเมื่อหากมาถึงวัดหนองประโพงแล้วก็วจะมีความรู้สึกเปลี่ยนหรืเเปลี่ยนออก เปลี่ยนความวุ่นวายออกเปลี่ยนความยุ่งยากออกก็เพราะกายมันออกมาสู่ป่าแล้วจิตมันก็คอยสงบไปด้วยนั่นเองที่นี่เมื่ อ, อามาฝึกจิตของเรามีความสงบแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นที่ใจ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 เป็นแกมเป็นสาลนี้ถ้าปัญญาทึบปัญญาไม่เกิดมันก็เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นสารละเป็นความจริงอืมไอ้ความเป็นจริงจริงทั้งหลายนี้สักแต่ว่ามันเป็นธรรมธาตุเท่านั้นสิ่งที่เป็นธรรมธาตุนั้นมันก็มีกดมีกดของธรรมธาตุ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 ไม่ใช่ความจริงไอ้ความจริงของมันก็คือธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็แปรไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันผลที่สุดแก็หายไปฉะนั้นร่างกายที่เราอยู่นี้ก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งเท่านั้นถ้าเจะของบ้านนี้จากมันแล้วบ้านหลังนี้มันก็เศร้าสูญสุกกับปรก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 เราก็เคยเห็นกันอยู่ไหมแล้วว่าเมืองนอกก็ดีเมืองไทยก็ยีทุกๆเมืองทุกๆบ้านเห็นบ้านก็เจ้าของบ้านแยกจากกันไหมผลที่สุดแล้วบ้านมันก็แยกจากเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านมันก็แยกจากบ้านไป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 แต่ความเป็นจริงนั้นไปหยิบเอาอนัตจามาอืมเอาของที่ไม่ใช่ตัวใช่ตวนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของของเราเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีความวิบัติแตกแยกออกไปแล้วคู่ที่เข้าใจผิดนี่ก็เป็นทุกข์ว่าอันนั่นเราหายแล้วอันนั้นเราตายแล้วอืม ชนนีเป็นต้นเพราะอันนันเป็นเป็นอนัตตาอนัตตาคือไม่ใช่ตัวเราที่เรียกว่าตัวเราหรือของเหล่านี้เป็นเพียงแต่ว่าสมมุติสมมุติว่าเป็นตัวเราว่าเป็นของของเราเมื่อเราพูดทางปรมัตา์เมื่อเราได้อบรมจิต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 ว่าฝืนจิตใจบุคคลผู้ที่มีอุปทานมั่นหมายว่าตัวเราและว่าของเราฉะนั้นธรรมธาตุอันนี้จึงเป็นไปตามธรรมชาติไม่เป็นไปตามความยึดหมายยึดมั่นของมนุษย์ทั้งหลาย <c oughs> เมื่อหากว่าพระโยคาวาจรเจ้าทาั้งหลายได้มาพิจ า, ยารณาทมที่จิตทมปัญญาให้เกิดที่จิตแล้ว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 มนุษย์ไม่ได้ตายไม่มีใครตายมีดินมีน้ำมีไฟมีลมประชุมปุงแกงเห็นแล้วมันก็ลายหายไปเท่านั้นเองใครจะดีใจข้าพระเจ้าไม่รู้ใครจะเสียใจข้าพระเจ้าก็ไม่รู้เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่อยู่ใต้อำนาจของใครเป็นกฎที่ตายตัว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 มีดินมีน้ำมีไฟมีลมมันแตกแยกขยายเป็นส่วนๆเท่านั้นเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้ก้อนอัจามันกบทไฟอนาจามันก่อตั้งเป็นมามเมื่อเห็นก้อนอนาจาแล้วเราก็เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนาจาเป็นของไม่เจตัวต้น เทวทูตนี้จึงสูงท่งในทางพุทธศาสนานี้ให้มนุษย์พ้นจากความเกิดแก่เดืบดตายเราเห็นสภานะตามเป็นจริงเป็นศักดิ์เจ้ว่าดินศักแต่ว่าน้ําไฟลมมันแยกเป็นส่วนๆเท่านั้นหาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่มีอืมฉะนั้นในทางพุทธศาสนาอันนี้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 เพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เป็นอยู่เช่นนั้นเองฉะนั้นเทวทูตในทางพุทธศาสนานี้จึงตามแนะนำพร่ำสอนมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทั่วโลกกันนี้ให้พ้นจากวัตฏสงสารรังนั้นขอยมซึ่งมานวัตกานในวัดหงประพงวันนี้อยากจะประพฤต ปฏิบัติธรรมะให้กระทัดรัดสั้นเข้าง่ายๆขอโยมจงปฏิบัติ ด, ดูกายกับใจเอาใจไปดูกายก่อนจะเอาใจไปดูกายนีได้ก็เพราะว่ามาฝึกใจอย่างมานั่งกรรมาฐานวันนี้ฝึกใจทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตสงบ พยายามทำไปเรื่อยๆไปเมื่อจิตสงบอ่ปัญญามันก็จะเกิดเมื่อปัญญาเกิดจิตมันก็จะเห็นตามเป็นจริงเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเมื่อเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตของเจ้าของจิตนี้มันก็สมมติว่าจิต ไอ้ความเป็นจริงแบบจิตนี้มันคืออะไรจิตนี้มันก็ไม่คืออะไรสมมติว่าจิตเท่านั้นกายนี้มันก็ไม่เป็นอะไรมันก็สักว่าจตกายเท่านั้นถ้าเราน้อมเข้ามาในใจของเจ้าของแล้วจงมาพีนาอยู่ที่กายเอาใจนี้มาพีนากาย ก็เห็นเรื่องของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนที่กายเห็นไหมร่างกายเรานี่เห็นไหมนีม่ขมอ่ามันดำแล้วมันก็งอไปขาวไปขนเกิดแล้วมันก็ร่วงไปเบอืมเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ล่วงไปหายไปสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ประเป็ีอยู่อย่างนั้นอืมไม่คงเส้นคงวา จะเอาจริงเอาจังก็มันไม่ได้จิตนี่เปิดมันกันบางทีก็อยากไปทางโน้นไปโน้นก็อยากมานี่มานี่ก็อยากไปโน้นบางทีก็อยากเร่มากเมื่ออยากเร่มากก็อยากเร่น้อยเมื่ออยากเร่น้อยก็เขาอยากเร่ร้อนอยากได้เย็นทุกอย่างสารพัด เ, เรื่องจิตอืมเรื่องจิตอันนี้มันเรื่องอนิจจังคือมันไม่ของไม่เที่ยงไม่คงเส้นคงวา นีฉะนั้นพระบรมศาสดาของเราท่านจริงดีว่าธรรมะอยู่ที่นี่อยู่ที่ใจนี้อยู่ที่กายนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นอไม่เคยสุขอยู่ที่อื่นมันสุขอยู่ที่ใจทุกทุกอยู่ที่ใจหลังนั้นทำผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมจึงจับเอาฐานสองอย่างนี้อืมคือใจกับกายนี้ เป็นฐานพีเจรณาทุกชาติทุกภาษานั่นั่นทุกศาสนาทุกระธิก็คือหาความจรงิงไอ้ความจริงมันอยู่ตรงนี้เองไม่จะอยู่ที่อื่นไอ้ความจริงนั้นไม่อยู่กับระธิเอี่ยรทธีนั้นไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมไม่ใช่ระธิสัจธรรมก็คือความจรงิงตรงไปตรงมา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 ตัวมันไปไม่แน่นอนพูดง่ายๆเช่นเราทุกคนนั่งในนี้นนก่อนเกิดมามเป็นเล็กเป็นเด็กที่เกิดมาต่อมันโตมาเคลื่อนไปเคลื่อนไปนไปด้ด้วยไปอันนี้เขาก็เป็นไปนตามสภาวะของเขาไม่อยู่ใต้อำนาจของใครอางนั้นเนี่ยอดัองนั้นพุทธศาสนาจึงสอนในประชาชนทั้งหลาย สอนใจเจ้าของฝึกใจเจ้าของให้เกิดปัญญาเมื่อปัญญาเกิดขึ้นในจิตแล้วมันจะเห็นจิตที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาแล้วก็จะเห็นตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนาตาเมื่อเห็นตายกับจิตไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนแล้วอุปทานที่ไปยึดมั่นถือมั่นในกายกับใจนี่มันก็ไม่มีถ้าระยึดมันก็เป็นทุกข์มันก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 ฉะนั้นธรรมะจึงอยู่ที่ใจกับกายพระบรมศาสดาของเราท่านจึงให้สอนใจเนี่ยฝึกใจอย่างทุกวันนี้อย่างวันนี้ให้นั่งสงบนั่งสมาธิเพื่อฝึกใจของเราให้สะอาดเมื่อใจของเราจะอาจมันจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแล้วก็จะเห็นจิตนี่ว่ามันไม่เที่ยงเห็นตจนี่ว่ามันไม่เที่ยง จักจะว่าเป็นธรรมชาติอันหนึ่งๆเท่านั้นเองเมื่อเราเห็นเช่นนี้จิตเราก็ไปยึดมั่นไม่ถือมัน่นแต่ว่าเราทรงมันไว้ยังจะมีบ้านหลังหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแต่เราทรงไว้เราไม่ไปทำลายมันร่างกายของเรานี้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ร่างกายของเราแล้วก็ส่งมันไว้ให้ข้าวปลาอาหารมันจิน้มให้น้ำมันจิน้ม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 ความเบื่อหน่ายในใจนี้ในกายนี้ว่ามันมแน่นอนไม่คงเส้นคงวานี่จิตใจก็เกิดนิพิธาเบื่อหน่ายเมื่อความเบื่อหน่ายในรูปนามหรือกายกับใจนี้นะเออมันก็หาทางออกหาทางออกออกทางคนทุกข์เรียกประนึงว่าเหมือนนกมันอยู่ในกรงอืม นกมันอยู่ในกรงนี้มันเห็นโทษแล้วว่าจะบินไปมาที่ไหนไม่ได้ใจมันก็ภาวะโกระวลลิ้นลนมันก็พยายามลิ้นรลนจะออกจากกรงอันนั้นเบื่อกงเบื่อที่อยู่ถึงแม้ว่าจะให้อาหารให้มันกินอยู่ใจมันก็ยังไม่สบายนี่เพราะมันเบื่อกงที่มันกักขังมันไว้จิตใจเรานี้ก็เหมือนกันฉชนใด เมื่อเห็นโทษของอนิจจังทุกขังอนัตตาในรูปในน้ำนี่แล้วอืมันก็พยายามอืมพิจารณาให้ออกจากวัตฏสงสารนั้นๆอืไม่อยากเกิดขึ้นมาอีกเมื่อเกิดได้บังก็บใจอีกแก่อีกเจ็บอีกตาย อ, อีกฉะนั้นใจของท่านจึงเบื่อนายจากวัตตสงสารเบื่อนายในการกระทำดีเบื่อนายในการกระทําชอบ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 มีความสุขขึ้นมาก็สักว่า จ, จะสุขมีทุกข์ขึ้นมาก็สักว่าจะวเอ่ว่าจะทุกข์เท่านั้นไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันเรื น, นี้มันก็เป็นนันว่าเรื่องพุทธศาส t า n t นาที่สันสอนมาเอโกธรรมโอจบลงตรงนี้เอมีฉะนั่นขอคณะทษทั้งหลายเนี่ยจงเอาไปพิจารณาจะถูก รู้ผิดนั้นก็เอาไปพิจารณาก่อนจะเชื่อหรือไม่เชื่อนั้นก็เอาไปพิจารณาก่อนพระผู้ทองท่นานว่าผู้มีปัญญาแล้วย่อมรับฟังผิดก็ย่อมรับฟังโทกก็ย่อมรับฟังเพื่อปรับปัญญาอืดังนั้นวันนี้เป็นวันที่สุดท้ายในของสารที่เข้ามานวัตการในวัดนบฮวงวันนี้ช่วงนี้ก็จะมีโอกาสที่จะจาก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 อธิบายให้ฟังพอสมควรอธิบายเรื่องทูดทั้งสองหนึ่งเรื่องทูตในโลกอันนี้เรื่องทูตของประเทศต่างประเทศนี้นสองเรื่อยเรื่องทูดของพระพุทธเจ้าของเรียกว่าเทวาทูตอันนั้นให้พ้นจากประสาสงสา ร, รต่อไปนั้นพูดถึงการปฏิบัติให้มังกรคัดลัดง่ายข้นไปก็คือให้เอากายกับใจอันนี้เป็นฐานปิจรารณา